วันนี้เป็นวันที่ 3. สามสำหรับวันที่สามนี่ก็อนันดับแรกก็ศึกษาอารมณ์ของคนที่เข้าถึงนิพพาเสร็จก่อนแต่ว่าอารมณ์ที่ว่านี้ก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมผ่ผู้ปฏิบัติไม่จาเป็นต้องงงง่ายตามลาดับเลยแต่ก็เพื่อรู้ไว้อารมณ์ของเบโสดาบัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าละสังฆเดชสามคือหนึ่งส ก, กายยะวิจิ 2. สองวิจิตราสาสิปรปตาปรามาต่าหมายความส ก, กายยะวิิสำหรับโสดาบันก็ดีพระิีธาคารมี ก, ก็ดีพระพุกกะทธเจ้าทรงตรัสว่ามีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อย ถ้ามาที่คำว่าโสดากระสีธาทานีแค่ประตฌานใช้ได้ไม่สูงจะถือว่าเปกนกำลังทานต่ากว่าที่เราฝึกมโนโยุิเพรว่ามโนโยุตินี่เป็นฌานสี่ถ้ายังไม่ออกไปจากตัวไม่แน่นะถ้าขึ้อนออกไปได้นี่ป็นฌานสีแน่นอนคำว่าโสดากระสีธาคามดีอารมณ์ไม่จําเป็นถึงฌานสี่ แค่ประตูมช่ชันร่างกายกำลังเบามากก็ท่านบอกว่ามีสมาธิเล็กน้อยตัวปัญญาเล็กน้อยตัวหน้าคือตปัญญาในความหมายความว่ามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเป็นไม่ประมาทในความตายแล้วก็ในเรื่องรู้จะตายก็ไม่ประมาทชีวิตเขาจะเจ้าพระธรประยยสงค์เป็นที่เพียงไม่สงสัยในความดีผู้เจ้าพระธรรมจะตราริสูร พี่เรียกว่าพิจิขาค่อยสามศิลปะป ร, ะรา ม, มาตคือมีศีลห้าบิสุท เ, เฉพาะคาวาัตเพื่อสวสดาบันในอรมทั้งนี้เองและก็สาหรับพาาระสิกขาคารมีพละสัญโยในสามเท่ากันสามเหมกันแต่ว่ากำลังใจเรอกว่ามันหมายความว่าความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลง ก, ก็ดีบ้านเท่าโล การยิ้นหล่นเพื่อหาทรัพย์สินเกินพอดีไม่มีนะพระสิทธาธรรมจะหาจาริยธรรมมาเทวิต ก, ก็ไม่เด็ดร้อนนะหาได้มันได้จริงๆเท่า น, นี้ฉันก็พอใจถ้าพระเอกรจะได้มากไปกว่านี้แต่ไม่ต้องโกงเขาก็พร้อมจะทำนี่เปียร์ลงพระประสินธาธรรมพรโสดาบันใกล้ปุถกันสำหรับความโกรธนี่ไม่ชัด สราเสริฐาคามนีนี่อันดับต้นต้องแบ่งเนสามท่านอันดับต้นจริงๆความโกรธช้าลงมีกำลังเบาลงเขาด่ามาเขาด่ามาเท่านี้เคยโกรธโกรธไ ด, ดกี่วันความโกรโดมันลดตัวน้อยลง เ, ลเร็วๆไวเร็วกว้านั้นใต้ขั้นไหนกลางกลางด่าวันนี้สามมันต้องรู้เรื่องเขาดาแล้ว จำไม่ได้ก็ได้ไปสามสี่วันนึกเลยวันนั้นมันด่าคุณรัวนี่ขนาดกลาถ้าสักกิทาคามีละเอียดเป็นเดือนเดือนความรู้สึกยิ่งเกิดบางทีเดือนหนึ่งสกิจถ้ากระทบหน้ากันอารมณ์กะออนทั้งหมดไม่เกิดเลยความรักในระหว่างเทศก็ดีความโลภ ก, ก็ดีความโกรกก็ดชนหน้ากันไม่รู้เรื่อง บางทีถ้าจิตละเอียดแนวสบายสบายอารมณ์เกิดมานิดหนึ่งคนนั้นสวยคนนดีน่าจะรักแล้วคนนั้นก็ด่าเราเพว่าเราน่าจะโดดและเริ่มต้นแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นก็หายลงไปทันทีจิตทอสันนิษฐานหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีประโยชน์รักไปก็แค่นั้นโดดแล้วก็แค่นั้นโลดก็ดแค่นั้นมันไม่มีเรยชน์ตายแล้วไปไหนไม่ได้ให้ทันที มาขึ้นมาทัา่วแค่หนุ่มวินาทีก็หายนี่เป็นท่านศิษย์าารางละเมียด่อยู่ใกลาคันดีมากแต่ว่า้ารสอนระดับนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ของสินอาพระโสดาบันก็ดีพระมีธาคาันมีก็ดียังทรงอยู่แค่สินอาเพราะว่ายังมีการแต่งงานไม่ต้องอยาดังกระชามีปัญญาไม่ต้องอยาจนหมด ยังอูก็ตงงามปกติแต่งมันเบาบางลไปมากความรู้สึกมอยหรือเกือมมีความรู้สึกถ้าพระนาคามีก็ตัดเป็นยอดได้อีกสองเป็นห้าคือตัดการม่ขันท้าสัปปิคัตการไม่นขันท้าคือมีความรู้สึกพอใจในเพศอันนี้ไม่มีในพระนาคามีเลยและไม่มีแน่นอนยังไงก็ไม่มีปลุกปั้มยังไงก็ไม่เกิดประโย หมดความรู้สึกจริงจังนัน <c oughs> ่นก็เป็นครับอารมณ์ความโกรธจริงไม่มีในพระอนาคามีแต่ว่าท่าทางของความโกรธอัจจะมีนั่นก็หมายความว่าถ้าคนในปกครองจะทําความผิดเราต้องแสดงการไม่พอใจว่าเธอทาอย่างนี้ที่จลงโทษแบบนั้นแบบนี้ไม่มี แต่เนื้อแท้จริงๆพอปวาไม่มีที่ทำอย่างนั้นทำด้วยความเมตตาจิตคิดตัวเองว่าคนขอเราจะเสียจำต้องทาสว่ามนาอย่างที่พระเจ้าทรงเครื่องประสงค์นี่ป็นเราว่ามันโสดาภิทาคาอนาคาสามขัญนอนาคามีนตัดสัญโาณด้หะาก็หน่สักการยะิจิตสองวิจิตรช้าสามสิปตปรามา สี่การประจันคัพะห้าปริทะษเรื่องเป็นกิเลสอยากรู้สึกอยาตัดต่ยากหน่อยที่ว่าตัดได้ยากเพราะเราไม่ชีนแต่ว่าแต่ในสำหรับพระหันถ้าจะเป็นพระหังต้องตัดสัญยอดในขาคือรูปราคะความหลงไหลไฝ่ายฝันในรูปปรชา อารมณ์ราคะความหลงหลใฝ่ฝันในอารมณป็ฌานทำาหหลงหลใฝ่ฝันนันว่าติดอยู่แค่นั้นหรือว่ามานะการถือสัวถือตนตัวใจจะอารมณ์ปุ้งซ้านบ้างขอบคุณอวิชาความรู้ไม่จริงอรหันต้องใส่ห้าแต่ทั้งหมดนี้เป็นอนุใส์รวงความว่ า, วาทั้งหมดห่าอย่างนี้ถ้าความจริงถ้าเกิดว่านามธรรมมีแล้วก็เป็นขงไม่ยากเลย ก็แค่ให้อารมณ์เท่านั้นเองให้ปัญญาคือว่าพระโสดาบันสินธาธรรมีทู้เจ้าสํารับว่าเป็นผู้ทรงอธิสิหมายความว่ารักษาสินมรดกแน่นอนพระนาคา ม, มีผู้ทรงอธิคิตกําลังเขาพระนาคาร ม, มีนี้ต้องเป็นการสิถ้าไม่เป็นการสิไม่สามารถจะตัด ก, กรททกกบบรมจากพระกรรมินคาได้ นี่พอถึงอรหันด้นยรูปทรงอธิปัญญานี่หนักนั่นปัญญาการใช้ปัญญาว่าคนอยาเป็นอรหันนี่ใช่หรือว่ารูปกาชายก็ดีถ้าปรกชายก็ดีเป็นของดีถ้าเราติดแค่ น, นี้ตายก็หปายรู้เป็นคนเนื้อหมดลมไ ม, ม่มีการหมดลมไปติดแค่นี้เพื่ออะไรมันไม่ยากง่ายมากต้องหลาไม่ายแล้วรายการที่สามมานะากถบสีตัวทีวต่ตอง ปัญญามีแล้วก็จะมีความรู้สึกตามความจริงคนจนหรือคนรวยมีความรู้มากไม่มีความรู้น้อยเพราะทางดิทสัต์มีสภาวะา เ, เหมือ น, น, นอกันคือมีผ้าสีเหมือนกันมีเลือดเลือเดือนั่ืนองเดือดจราบวาสนาเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเลยหมดการถือตร ว, ตวมีต้นมีดีเม็ตายหมดควรจะกัรลมพุ่งใา่พุ่งใส่เข้าไป อันาคตมีอัตมัดนี่เขาไม่ไม่พุง่งหัวทางบ่าท่านเหนื่อยไปคิดว่าทนเหน่อยจริงวะอุ่นนอยแค่นี้ก็ได้ต า, ายเมื่อไรฉันเป็นเดวดาแล้วผมฉันกไม่ลงมาทำต่อเลยชิจียดเดียวหนึง่งวันเหนื่อยในใจแค่ชิจีดไม่เอาวะแต่พอตอนห้ยเหนยเอาหน่อยก็ดี ไปเลยดีกว่าไม่ต้องาไมย่ำท้อเุวดาแลผมเพราะเดี๋ยวมีอะไรปัญญาถ้ามีแล้วเนีตัวสุดท้ายคืออวิชชาความจริงถ้าเราตัดไปกอวอวิชชาตัวเดียวมีทัศน์ที่อร่ามแล้วทั้งหมดที่ทาเพื่อขามหาอวิชาชาอวิชชาคือการไม่รู้ไม่รู้ตามความจริงอวิชาชาพระเจ้าทรงแยกเป็น2ศัพทบคือฉันท์นกับราคะ นี่มีความรู้สึกว่ามนุษย์สโลกเรวโลกบ น, นโลกน่าอยู่นี่เป็นฉันทักราคะเห็นว่ามนุษย์เรื่มนุษย์มนุษย์สัตวโลกเรีวโลกบนโลกม่ารัฐสวยสดชุ่มชามนี่เป็นความรู้ของอริชาคือความโง่เป็นคนที่เป็นนาคาเมีแล้วก็คงที่จะโทษแล้วลนะมัเขาก็เห็นว่าควรจะสมบัติของวัตถ่พันดีกว่า ลงค ว, วาตัดความรู้สึกสามราการนี้จริงไปเห็นว่ามนุษย์ยาาเัื่องมหยดีมีทุกเทวดาหรืองผมในสุขเป็นสุขไม่นานหมดคนก็ต้องมาใหม่เราตัดสินใจผลิพภัณฑ์เลยดีกว่าทำเองลงความร้วสัญญอสิบการไม่มีอะไรยากแต่ถ้าปฏิบัติพืตการตัดยากใช่ไหยไม่ยากหรอกือ แต่ว่าชื่ว่านี้เป็นรีลาของสุขารตุสโกต้องตัดตามระดับแบบนี้นะเป็นรีลาของสุขารตุสโกทำไมเพราะอะไรเพราะสุขารตุโกจะต้องย่ำเท้าย่ำหน้าย่งถอยหน้าถอยหลังอยู่เรือยๆอไม่เห็นขาแต่ว่าสุขารตุสโกจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเดินตามรดับว่าเป็นมาโซนดาแล้วก็ต้อป็นชีทาคาเป็นิทาคาแล้วก็เปนนาคา แต่นาคาฤกษ์เปรียรานก็ไม่แน่นอนนะสุดแล้วแต่บุญบา ร, รมีเก่าที่สั่งสมมาถ้าบุญบา ร, รมีเก่าสั่งสมมาดีมีกําลังแรงบางท่านฟังเทศจบ เ, เปียเปรียรานเลยบางท่านก็ติดพระโสดาบันอยูพักใหญ่ยังอย่ญญาว่านนวลว่านนวลนไม่ใช่ไม่ใช่สภะโกนะเป็นฤษีพา ย, ยา แต่เป็นตัวอย่างว่าติดระิตกระโสดาบันอยู่ตัง้งสามสิบกว่าหลายสี่ห้าเกือบสี่สิบตื่ปวดพ่ายแปมันไม่ใช่ไม่ทายางเลยตันต้องทำบุกเก่าเปนการปฏิบัติจริงๆแม้จะเป็นสุขหรือจะโกพนก็แนะนําว่าถ้าบุคคลผู้ใดสามารถทรงรมของกโสดาบันได้ให้ใช้ลมเข้อตัดตอรารมณ์รเลย อีกสองจังหวัดไม่ต้องห่วงในกำไรมีความว่าเรามีความรู้สึกมีปัญญามีความรู้สึกว่าร่างกายมันต้องตายยังไงไงก็ตายแน่ถ้าจะตายเราไม่ยอมไปอบยปัยภูมิยึดความเจริเจ้ากระทาพระอริยสงฆ์เป็นที่ตึงมีศีลห้าบริสุทธิ์ต่อเรียกว่าอบายัยภูมิบาคเก่าๆที่ทํามาแล้วทั้งหมดไม่มีผลสำหรับเราต่อ ไม่ลงตอนหลังนี่ก็จับอารมณ์บ้าหลคือเข้าไปตัดอวิชชาเลยใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่ากายเกิดเป็นมนุษย์นี่มันมีความสดหรือมีความถุกร่างกายของมนุษย์มีการทรงตัวไหมจะต้องบอกว่าโลกนี้เต็มไอนทรจย์คือความไม่เทีย่ยร่างกายคน อ, อื่นก็ไม่เทีย่ยร่างกายของเราก็ไม่เทียนะ่ยมาซุบตัวทุกวัน การายนี่มันเป็นสุขก็ไมทุกข์ความหิวเป็นสุขก็ไมทุกข์การโกรธวิจาระปัสสาวะเป็นสุขก็ไมทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขก็ไมทุกข์การต้องประกอบกิจการงานมันเหนื่อยท็ทรมานโัวทรมาใจเป็นสุข็มทุกข์การพัดพาจ้ของรักของชอบใจเป็นสุขก็มทุกข์อาการนี้เขามีพันจะตายเป็นสุข็มทุกข์อเห็นแว่าเป็นทุกข์ ก็ลงความมาใช้ปัญญาเข้าตัดจุดนี้แล้วอีกจุดหนึ่งการเป็นเทวดาหรือมรมีไหมบางการห่ายๆตามความเป็นจริงก็ว่าดีกว่าความหลุดพิแต่ว่าความเป็นพิษก็เทวดาหรือปมอยู่ได้ไม่นานเมื่อหมดพุนวาสนาบารมีก็ลงมามันก็ไม่ดีดจิตจ้าตัวที่ดีจริง ค, คือ น, นิพพานน่แตกแค่นี้นะ หรือเห็นว่ามนุษย์ไม่เป็นเรื่องเทวดาและพวก็ั้ไม่เนเรื่องฉันต้องการอีกฝ่ายนี้ตัดผู้ชายตัดตั้ชายอารมณ์นี้เป็นอารมณ์อะไราให้ถามว่าคนอย่างพวกเราจะเป็นพระหนังได้ไหมก็คนนี้เป็นพระหนงก็แบกเขาหน้าตาเหมือนพวกเรามีจมูกมีปากมีผมมีชื่อมีกุดตามีจมอะไรตอนมีที่มีเลีวเหมือนเรา เห็นไหมนะถ้าดว่าเรากับท่านจะมีกําลังใจเข้มข้นเท่ากันไหมความเข้มข้นของกาลังใจอย่านึกว่าสร้างกันได้ง่ายๆนะมันก็ต้องอาศัยบุญบา ร, รมีเกา่าถ้าการสางสมบา ร, รมีเดิมมาไม่ดีพอชาตินี้ขยันเท่าไรก็ตามมันก็ยังไม่เสร็มันต้องสะสมกัรรู้ทุกชาติ เราก็ต้องไปนั่งมองทางความจริงว่าคนอย่างเราจะปนิธานได้ไหมก็อย่างที่พูดมาตอ น, นวันนั้นพูดมาเกี่ยวทุกวันเอากแค่ศรัทธาก่อนศรัทธาคือความเชื่อในการต้องการจะบำเพ็ญบุญสมเฉพาทางบารมีเอาตรงนี้เป็นเครื่องวัด ศรัทธานี่ก็แปวาความเชื่อแต่ตามแบบเขาก็มีว่าศรัทธาไอ้อธิโมกขศรัทธาคือศรัทธาที่ไม่ใช่ปัญญาประกอบเป็นความโง่เนี่ยการสัพทศรัทธาที่สำนึกปัญญาจะอประกอบดวปัญญาก่อนจะเชื่อพิจนารณาได้คอนอย่างสองอย่างยังไม่ไปต้นไม่ไปพื้นพัดต้องมีบารมีเต็มยังไม่เต็ต้องไปดูถัตไทคู่หนึ่ง อุณิธิวสังสาริกาศรัทธัจะพาสังสาริกาศรัท้าสังสาริกาศาารัทธ า, าก่อนที่จะเชื่อต้องมีคนเขาชวนเขาแนะนำเขาดึงไปไปทำบุญนี่ลดได้ทาทนี่ไปไหมดีไม่ดีไปถึงวัดแล้วไอ้ไนี่ประกาศเป้าเป่าๆที่จะสร้างส่วมสักหลังแลคาสองข้างหนึ่งแหมประกาศขึ้นวันยังไม่ได้สำเ แล้วการแล้วประเทศอี่ก็ทํากันทําบ้างอะไรทำบ้างหรือว่าเข้าไปทำอย่างนี้ที่ว่าสังสานิการะคาเป็นสภาของคนที่มีบารมียังไม่เต็มไม่เป็นปรมาสมาบารมีถ้าสังสถานิจาระคาไม่มีการที่ว่าไม่ต้องควรไม่จำแนกน้ำจำเห็นแล้วพอใจพันอย่างพวกเรานีเป็นมันจะยกยกกไปได้ในคืนในตอนนี้ ตัวมันโตทั้งแต่แล้วตัวงที่เยอะคนไหวที่ทํามันแจ้งฉันอุ้มมันใครจะแจ้งจะอุ้มมันจะต้องดาวสิบล้านก่อนวดาวว่าถ้ายงไม่อุ้มก็มสิได้สิบล้านเจ๊เออ้าอุ้มแล้วจะให้เท่าไรไม่ให้ยไม่ตดาวแล้วเอาดาวเลยไปตัคนไหวจะตัว่มีต้นสิทิใครลดยุอยูแล้วยพวกเราเนี่ย มีหรปล่าเม่เกี้ใช้เข้ามาใอยจารีบสกทีแต่มันอย่าทำมันอย่าทงอย่า ง, อ ง, อางนี้การทมคนมาตายนิยญาณนี้ได้สังสารนิกานศรัทานะและก็ทุกวันที่พวกเราทําหมกันหลวงพ่อหลงมันนั่งบองทีมันไม่กังวลเอาเริ่มทำแล้วแต่งคนแต่งเรทอย่างนี้ไาานะ <Okay. S 1> ปา อ, าา อ, ไอาสัาา ง, า ง, างสารนิพพานศ <Okay. S 1> รัทธดูไปศรัทธาคือคนที่มีบารมีเต็ม แบบนี้มีหวังผ่านแน่นอนแล้วก็มีเรื่องว่าอีกจุดหนึ่งแค่เพราะท่านพิจายมโลยิทธิอันนี้เมื่นถ้าเข้าเขตพรนิพพานได้การที่ํำอธิสมานในตายเข้าเขตพนิพพานเนี่ยต้องรู้นถ้าจิตเพียงแค่เข้าถึงตัแต่โซรดาสีคาคานาคาอนิสะอาดถทามันเห็นพริพพานแจ่มาสได้จะเข้ามายากนะ ยดึดผ่านชัดได้แล้จะเข้าไม่ได้เนะหรือเข้าไปในนยึมารยิานนั้นเม่มีสิทธละวิจิ ต, ท, จตที่เข้าในใมารยผ่นานนีเวลานักจิตต้องสะอาดเท่ากาัถ้าทุกคนที่ทาได้ก็มั่นใจว่าขั้นหนึ่งเขาจิตเราสะอาดทํากานาันเพราะเรื่การ็คนไม่ได้ขหนักเลกลับมาจิตเกิกิเลสพอกใหม่ ไม่ต้องพิสูจนกันว่าเวลาที่เข้าวันนี้เลยใหม่พวกเราในเกียรติภัณเวลานั้นเรานั่งบนรถอิบบนเตียงบนตังได้ไหมอ่านั่งเราลืมนั่งเราลืมภาพนี้ยังไม่มีหวังถ้า จ, จะให้มีหวังต้องตัดสินใจขึ้นน่งตัดสินใจทันทีว่าทราร่างกายที่สลายตัวเมื่อะไร่ของมาที่นี่ตัวเดียวมันจะนั่งได้ไหมเวลาไหนตัวไรจิตสมาภูมิปัญ ถ้าเราเอินเข้าไปแล้วมันไม่ลืลนะ่นมันหล่นเข้าหมองได้เป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวิช า, าสารกัจจินยาที่มีเครื่องวัดชัดไปลงความว่าบารมีเออพูดถึงพระยาปฏิภายกันไหมเมื่อคืนนี่มีญาติโยมมาใหม่สี่คนที่ท่านยังไม่เข้าใจมีสี่คนนะอะไรเราเวลาออกมาตรวจจีบ เิดภาพมันจะออกไปไหนกันตอนนี้ป๊าบนั่งบอกสี่คนนี้ม่มาใหม่ก็ยังไม่รู้เรื่องมีส่วนไอ้คนนี้ไม่เหลือาบอกไอ้เงียเอาอะไรเราีเอาเรียวัดไปแล้วไม่เป็นตามมันไันต้องสร้างไหญ่วัดพระสุรนเยวัดไปก่อนวันนี้ไก่อนทไม่ได้ใช่แล้วบอกทังหมดไม่เหลือสามวัดกิไม่แน่ครับ ดีบ้างแล็วบ้างเดี๋ก็ดีที่ก็เร็วเดีดดเ๋ยวก็ลดจะบอกนั่นมันเรื่องธรรมดาข้องเกี่ยวดเรื่องธรรมดาข้องกฎข้องกรรมแต่ส่วนลึกคือความดีจริงๆภายในเขามีอยู่ในตัวเรองวาระบรรดามาถึงก็เป็นคร ว, นวัตรครวัตรมีความหนักในความเป็นอยู่ตัวเลี้ยงตัวเองไม่เหมือนค้าเนที่ขู่ที่อย่างที่ขูก็แปลผู้ขอห้ามให้มีหน้าที่ขออย่างเดีย ถ้าให้จิตระเบียบของพระนีนพายยกพฤติการไปรู้ให้ห้างขอไหมครับแม่แต่เนี่คนต้องมีงระเบียบดีในไม่งั้นจปฏิภาณไม่ได้ในเมื่อได้บอกว่าพระเจะาอารมณ์ความคิดเป็นอย่างนี้ก็ต้องดูอารมณ์กันภาคบุคคลใดถ้าเดินตามสายสุปราวิเศษโกติตรักปนิภาณเป็นอารมณ์ เขารับแม่วันหนึ่งก็อาจจะคิดที่ฝันสักครั้งแลสครั้งเวลาก่อนหลักก็ตื่นใหม่อีกสบายอันนี้มีบางวัตถถ้าผู้ที่ได้มนงยิทิขยันบนิพันธ์วันละครั้งสองครั้งประเดียวเดียวก็ได้อีกเจียมีอารมณ์ดนบอกว่ากานหนักอิจอย่างสุขาพเป็นตัจิตต้องการนี่พันเป็นอารมณ์เวลานั้นฉันต้องการทั เวลาเนี้เราจิตมันต้องคารนิพพานจริเวลานั้นจิตมันว่างใจากจิเลสทั้งหมดเนี้ยอารมณ์ที่อยากแได้ก็ที่ผ่านเวลานั้นกิเลสมันมีเลยเอารมณ์ในความแยบราบางตระเภทมันก็วางวาวทิ้งทุกกาเทาเพเวลาใช่ไหมความโลภก็ต้องทิ้งความโกรธก็ทิ้งความหลงก็ทิ้ ง, ว ง, วงเวลานั้นมันไม่ได้ต่อจิตจิตสาหรับ มันสักคู่เดียวเดียวก็แแต่สองสานาทีก็แขเดี๋ยวกลับมาใหม่ก็แข็งเลยท่านบอกว่าจิตสะอาดวันลเล็กวันน้อยมันจะสะอาดทุกวันวันละข้ามนาทีแล้วเวลาที่จะตายจริงๆบารมีทั้งหมดจะเข้ารวมตัวแล้วก็มีหลักนิพนธ์แรกรอนสำหรับคนที่ได้มโนวิธีถ้าขยันปฏิบัาิตามปกติโดยเฉพาะอย่างนิ่ก่อนหลับและเช้หมดเช้หมดเป็นสำคัญมาก ถ้าเมื่อการจิตไปที่ น, นิพพานแล้ววันนั้นทั้งวันจิตสะอาดเะมีสุดแล้คนอาบน้ำโัวเคลี่ยตอกสู่ดีรัางทงอะไรตอนดีหมดเลยล่มีอะไรเพื่อนแต่พอเอิญเดินไปกลางฝนละออมันเพื้อนบ้างมาก็ไมหนาแล้วก็ไปแนงอะไรก็หลุดง่ายไปเหมือคนที่จอยดินปอทั้งวันะนะเวลาที่จิตเข้าไปที่นิพพานมันหมดกีเด็เหลือ ลงมาแล้กิเลเราะเะไม่กกกเกาะจะเป็นกาลังไปได้เราก็ล้างมาทุกวันจนชินแล้พวพูดนี้เป็นไปไงก็ลองคว้าว่าเมื่อคืนนี้ถ้ามายืนยันได้ว่านี่ไปเขาุกลมนยืนยันยืนว่าคื่อคืนนี้ฉันพูดอะไรบ้างฉันจำไม่ได้็คือคนช้นไม่ได้ในอะไรต้องว่าตามคาบอกทุกคํามือคืในี้คว้าตามคำบอกไไปเลยทา วันนี้เพียงพี่จะลงมาบอก เ, อเกูดประโยชน์สาต้องฟับอกมาเรียถามว่าทำไมก็บอกว่าจาไปไดาแต่บอกวันนี้บอกปโยชนสิบอกรู้แค่นั้นเลยไม่ไต้องเอาจับต้มแล้วก็จับลายเลยสงมได้ลอ้ไม่ต้องมากันทงหมดแล้แค่นี้ของเปิดรวยหดไปแต่เหนื่อยเปล่เหนื่อยไอหม ไม่เลยไม่พูดอย่าไปถามไม่พูดไมพูดไ <c oughs> ม่เลยเออแล้วก็เลย่าพูดมากไอ้หลักวิชามาเยอะไปหลักวิชาถ้าจะคุยกันทั้งมีเรืงคุยเยออย่ลืมนะครับฉันนัดอมาก่แต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์สหรับพวกเราเลยเพราะพวกเราก็่ตองิรียนใบทแก เาไม่กชดคนแกรเป็นคนกินเช่ไหมล่ะถ้ากำลังบัรมีขนาดนี้ขึนอยู่ลักษณะคนกินอย่างเดียวไม่ใช่คนแกรไอ้คนแย่แกต้องเแกงส่งต้องใสอะไรบ้างมีที่มัใส่ไหมแคเป็นไมแแกงส่งไอ้ไอู้ปใส่เสื้อลายตัวต่อแเรี่ย็นต่ออ่ะ เป็นสบการ์์มใส่โก๊กพริกใส่นแกงด้วยแต่แกงแต่ลแกงแ่เ่ไหมดเลยจต้มหีว่านี้ไม่แคยมาด้านบุญตัวแล้วถูกแกงเผ็ดสไอะไรแกงแะไรใส่ไส้กวกกต้องถูําเลยนั่นหมายความเริ่มบารมีต้นเราต้องทำแบบนั้นเวลานี้กำลังพอเราแค่รวงกำลังลําของลําคร์กของก็หมไย จะเอาแกงมากินอย่างเดียวใช่ไม่ดีมากเพราะอะไรไหมไอ้คนที่ไปโง่เป็นตาลชันนะครับมันไปหมดแล้วลเพื่อนเพอนพี่เพนน้องก็ไปไม่รู้กินโกรธนะไม่กินไม่เกิดแสนนะิโกรธนะตอ น, นตอยากตนๆนฉันข้าวไปาวสิบองศาเนี่ยตึ่งไปดาวิึว้งที่นายโยนบอกวันนี้ลูกก็จะมาลาลาไปไหนลาไปไน อานละไรสี die, ่ร้อับห้าบาทยตับราบินิพามจะถึงแค่ไนต่อเกินรายกันเดือนละลายพวกได้ทึกไอ้บุญในที่เกียรจริงๆป็นหน้าจะไม่ช่วยหลวงพ่อฟันดินบันทายสู้พวกนี้ไงไนอ้พวกนี้ดีกว่าไอ้ที่พวรู้รักจริงๆเนี่ยเด็ใจพ่อ แล้วก็ผู้เปนต่างกรณีรนพวกเรางานต่างๆที่เกิดขึ้นเคยต้องเค็ยงให้รเราใครถนับทางไหนไม่มีการเค็งอะไรท้่เขาดีจริงหน่เนี่นเป็นมามันตั้งใจมาจริงๆแล้วมความว่ า, วาการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยมันมีหวังเต็มที่แต่ว่าทุกคนอยากละสิทธินะหรืออันันมัเรียกกรรมอยากทำมากนะ อย่างฆ่าสัตว์เลีกรรมินทำแม่ตัวเล็กๆก็ลอยไปทีทุกวนประการที่สองอย่าปราม า, าย์พระไตรงา น, นากรมโดยพาะอย่างนี้เวลาที่อย่าบุาชาละเริ่มตน้นขอาาก็มาโทางงานน้ชพระไตรชนนากรมก่อนลุกในใจรรเริษัทในไทยว่าเราเคยสมาครภักทั้งในการตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเรารู้เท่าหรือใจก็ดี ขอสนเด็จุนพิจารสีโปรดประทานไปโปรดโทษให้ตั้งแต่วันนี้ไปเจ้ป่อยขาอย้าบมูทธายว่าอยิงทุกวันนะกรรบกันหมดและก็ผลที่คุณได้ไปแน่แน่คือเราจะไปยากและไปง่ายจุดหนึ่งคือคือว่ามีกินก็ไม่มีกินถ้าไปก็จะมีจินมันก็ติดเดืยดร้อนแต่ว่าท่านยากก็ทาแม่พระสงฆ์ขอมาถายและสุเด็จเอง ไม่ท่านช่วยก็เต็มที่เลยแล้วครับตี ว, ว้อยอย่างนี้ก็เทวดาไก่ให้อภัยเนี่ยต้องอุ่นูกว่าเมื่อวันนี้ไก่ก็หมดหลายตัวนะอัน <c oughs> นี้ประเด็นเรื่องแปลกที่สุดคือของให้อภักันไม่ได้แต่แปล ว, ว่าเขากลับมาให้อภัยกันทุกเรา <c oughs> เขาบอกว่าความดีคือคบุญบารมีกําลังแรงพอที่เขาช้แต่เขารักแล้เขามีความสุขก็คเคยเขาได้เลย นี่ต้องพอใจในจิงเรากระบวนการที่สองแ้ระเจ้าก็ไม่คาถาที่มีความต้องการคอยทุกคนตั้งใจทำด้วความตั้งใจจิงไมอย่ารามว่าจะว่าเรื่อถ้าไม่มีผลมันก็ลงอไม่ได้เนี่ยก็ถ้าทาจริงๆแบบสบายมีผลแน่ความดีความเป็นอยู่เปนสุขจิตใจก็สบายกาปฏิบัติธรรมก็ดีๆใช่หมนี่ถ้ า, า, ถ า, าวามหมิมวภาวนาก็ามไม่ไหว มันมเรียกเรียวภาวะภาวะปลาทุกบปลาขายทุบปลากินกรลงความว่าให้มั่นใจในควรมดีและก็พยายามเรียเรื่องความทั่วหนึ่งอย่าลืมว่าชีวิตนี้มันต้องตายสองยอมนับนาทีพระพระเจา้าพระธรรมพระอริยสองในความจริงใจไม่เลืสส่อนแกล้งใส สามรักษาเห็นใหนมันรสดเขาให้แน่นอนแล้วก็ทแล้วก็รายการที่สี่หวังตุกเยือกนิพานแล้วก็ตีกับยาโลคความโลรอยาให้มีไอทว่าอยากได้ทรัพย์บัติของคนอื่นโดยการอยากจะรักบัางจะแย่มบ้งจะคนแต่อนนย่างนี้ขยันได้ไม่เป็นไรขยันทำมาถึงมันเ ส, สร็จลงสมัครเราเพ่มความโกวดค่อยๆบันทำในการนิ่งก่อนค่อยๆแหบ ไม่ค่อยไหสามวัความหลวงหลวงก็น่ากายของเราหมดแล้ ว, ลวาาลบบลเล็ดอเงเมดแล้วไม่ได้ตัดเลยนะไม่ได้ไม่จำเป็นเพราะว่าไม่จําเป็นเพราะคนนี้จํามีหวังต่อเมื่อเวลาวันไหนถ้ามันจะตายจำไม่ดีนทุกคนนะบางคนอาจจะตายก่อนหลวงพ่อบางคนอาจจะตายหลังหลวงจ่อจำไม่จดถึงถ้าวั น, ห น, นไหนเวลาไหนถ้าป่วยหนักหรือไม่หนัก ถ้าเห็นเทวดาไดาเห็เุมหรือพระอยะลอยเต็มอากาศแต่ยังไงว่าการป่วยเนี่ยป่วยและป่วยนอนก็ตามให้คิดว่ามันอาจจะตายไปก่อนจะได้ไม่เป็นมาก็อ <c oughs> ตั้งตัดชี้ใจกันทีว่าครนี้ถ้ามันเอือดจะตาย ข, า ข, าขาอไปนึกไปถูกหรืเอามุมนี้จะไปเอาอื่นหลัจากนั้นถ้าเอืด เ, เห็นพระอริยะอริอะเจ้าเป็มเป็นฟ้านมองไปไหนก็เจ็บเหนื่อยไปนก็เจ็บ ก็ดูท่านา้าเทวาดาอยู่หน้าพระอค์อยู่กลางพระหลังอยู่หลังเราไปถึงวดาพระองค์อยู่หน้าเทวาดาอยู่กลางเราเป็นงพระองคน์ถ้าพระหลันอยู่หน้าพเจ้าอยู่หน้าเนนะไม่ไแต่ว่าจิตตั้งไว้ว่าเพื่อนิพพานนี้ก็ไม่มีทางเพื่อนเจ้าเองน่ะจะอยู่ใกล้ทสุดหลายคนแนละ้วอธายไปแลนะ้ไวไ่เป็นจนระิงว่าเพื่อเจ้ า, นนะจาลอยชัดอย่างดียวเพื่อนเป็นอลเลยหน้าตาก็แปดสอง ก็เข้าไปยิ้ปักผู้ท่านโวู่ห้องนราเดียานแก่วไผ่ช่มั็งแต่เดีนี้ทานแม่โยความว่าวันนี้มันเยี่ยหมดแล้วก็สังดับญาติโยมที่มาใหม่ให้พระเอิญใหม่จริงๆนะเพาเดี๋ยวจะสมาทานเนี่ยจดมุสสองครันสมาทานเวลาก่อนจะ็วนนายตัดสินใจให้กล้วว่ากายเสื่เป็นมนุษย์ก็ไม่ดี เป็นเวนทวดาหรือพรหมเปนสูตรุวกเราเราต้องการนิครับถ้าไม่เคยพาวนาเย็นอื่นเนมื่อก่อนก็ใช้คำมานาว่าพุทโธให้ใจเข้าด้วยวัตถุใจนั้นจะออกด้วยว่าถุหรือว่ามันหรือไม่ภานาเลยคิดมันเรื่อยไปมีสิ่งอย่างอว่ากายเกิดจานี้ไม่เปลี่ยเนเรื่องทำไม่หน่อต่ทุกทำไม่เหนือทุกคนทุกใจกอดทุกเจ้าหนี่าทุกมาทุกหลุดหนีไป่ำไมชนะดอกเหยเหมือนชนะคนกอดทุก แล้ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์ใพักไดเจากของนักพรตตั้งแต่ตั้งแ่เราไม่ต้องการการเกิดอีถ้าหวังเป็นธรรมดาระคงคนน้อยเกิดไปเราหวังแต่คิดด้วยอย่างนี้คกว่าจะมเากมีดคือการใช้ดุจอ่าการภาวนาแท้จิตเป็นสมาธิจิตก็ว่างจากกิเลสถ้าการที่เจรณาอยู่แท้ปัญญาจกกิเลสจิตก็ว่างจากกิเลสเป็นการสองอย่าง ถ้าตอน d ี้ไปขอเวลาชาวบุกโอตรมากทาดใ